ความสำคัญของการมีการยานามิตรในการยานามิตรสูตรอุปัตฐสูตรและสุริยูปมาสูตรสังยุตตนิกายมหาวาระวัตรพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อนเป็นบุพนิมิตชันใดควา ม, มีการยานามิตร ก็เป็นตัวนําเป็นบุพนิมิตแห่งการเกิดขึ้นของอริยะอัสดางคิกรรมะแก่ภิกษุชั้นนั้นภิกษุผู้มีกัลยาณมิตรพึงหวังสิ่งนี้ได้คือจักเจริญจักทําให้มากซึ่งอริยะอัสดางคิกรรมะดูกระอานน์์ความมีกัลยาณมิตรเท่ากับเป็นพรหมจรรย์ทั้งหมดทีเดียวเพราะว่าผู้มีกัลยาณมิตรพึงหวังสิ่งนี้ได้คือเขาจักเจริญ จักทำให้มากซึ่งอริยะอัสดางกิกมัตตอาศัยเราผู้เป็นกาลยานามิตรเราสัตว์ผู้มีชาติเป็นธรรมดาก็พ้นจากชาติผู้มีชาราเป็นธรรมดาก็พ้นจากชาราผู้มีมรณะเป็นธรรมดาก็พ้นจากมรณะผู้มีโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปาญาตเป็นธรรมดาก็พ้นจากโสกะปริเทวะ โทมานต์และอุปายาตภิกษุทั้งหลายเมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ย่อมมีแสงเงินแสงทองเป็นบุพนิมิตมาก่อนฉันใดความมีกาลยานิมิตก็เป็นตัวนําเป็นบุพนิมิตแห่งการเกิดขึ้นของพ่อชองเจตแก่ภิกษุชั้นนั้นภิกษุผู้มีกาลยานิมิตพึงหวังสิ่งนี้ได้คือจากเจริญจากทําให้มากซึ่งพ่ชองเจตในอังคุตระนิกายเอกนิบาต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 เราไม่เล็งเห็นทำอื่นแม้สักอย่างที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่ที่เป็นไปเพื่อความดำรงมั่นไม่เสื่อมสูญไม่อันตรฐานแห่งสัตรรมเหมือนความมีกัลยาณมิตรเลยโดยกําหนดว่าเป็นองค์ประกอบภายนอกเราไม่เล็งเห็นองค์ประกอบอื่นแม้สักข้อหนึ่งที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่เหมือนความมีกัลยาณมิตรเลยในทุติยเสกสูตรขุตกานิกายอิติวุตกะ มีปุถุพ์ธพธว่าสำหรับภิกษุผู้เสกขะยังไม่บรรลุอรหัตผลปรารถนาความเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมเราไม่เล็งเห็นองค์ประกอบภายนอกอย่างอื่นแม้สักอย่างหนึ่งที่มีประโยชน์มากเหมือนความมีกัลยาณมิตรเลยภิกษุผู้มีกัลยาณมิตรย่อมกำจัดอกุศลได้และย่อมบำเพ็ญกุศลให้เกิดขึ้นในเมขิยสูตรกุตกนิกายอุทาน พระพุทธเจ้าตรัสกับท่านพระเมขิยะว่าภิกษุผู้มีกัลยาณมิตรพึงหวังสิ่งนี้ได้คือ 1. จากเป็นผู้มีศีลสำรวมระวังในปาติโมกสมบูรณ์ด้วยอาจาระและโคจร 2. จากเป็นผู้ได้มีโอกาสสดับฟังได้ร่วมสนทนาอย่างสะดวกสบายตามความปรารถนาในเรื่องต่างๆที่ขัดเกลาอุปนิสัยชาระจิตใจให้ปลอดโปรง่ง เกิเรื่องความมักน้อยเรื่องการบาเพ็ญเพียรเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องวิมุตติเรื่องวิมุตติญาณทัศนะ 3. จากเป็นผู้ตั้งหน้าทมความเพียร <c oughs> เพื่อกําจัดกุศลธรรม <c oughs> และเพื่อบาเพ็ญกุศลธรรมให้เพียรพร้อม <c oughs> จากเป็นผู้แข็งขัน <c oughs> บากบั่นมั่นคง <c oughs> ไม่ทอธทุระในกุศลธรรม <c oughs> 4. จากเป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาที่เป็นอริยยังรู้ถึงความเกิดความดับชำรกกิเลสนำไปสู่ความจบสิ้นแห่งทุกข์บาลีที่ยกมาอ้างนี้เน้นความสำคัญของความมีกัลยาณมิตรสำหรับพระพิสุเพราะเป็นพุทธพจน์ที่ตราต ก, กะพระพิสุ